ส่วระบทภาวนาที่เราได้สาธยายเมื่อสักครู่อันนี้มันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณหรือว่าสปิริตแบบพุทธนะก็คือว่าเราจะระลึกถึงสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเรา เพื่อที่เราจะได้แผ่ความปรารถนาดีไปให้ชาวพุทธนี่เราจะไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองอย่างเดียวแต่ว่าเราคิดถึงสรรพสัตว์แล้วก็สิ่งต่างๆที่ประกอบขึ้นมาเป็นโลกใบนี้นะเลยลึกถึงทั้งในแง่ที่มีบุญคุณกับเรานะ เช่นพ่อแม่อุปชาอาจารย์มิสหายรวมทั้งระ ล, ลึกนึกถึงสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกหรือร่วมวัตตะสงสารเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันกับเราระ ล, ลึกถึงเพื่ออะไรก็เพื่อ ส่งความปรารถนาดีไปให้สิ่งที่เป็นเพื่อนร่วมโลกนะร่วมทุกข์นี่ก็มีมากมายนะตั้งแต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ซึ่งเป็นตัวแทนของธรรมชาติหรือเป็นตัวแทนของจั ก, กรวาลแล้วก็รวมไปถึงเทวดามารพรุนพวกนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะร่ว ม, มะตระทงสารไม่เป็นแม้กระทั่ง ศัตรูนะผู้จ้องผลานะที่เราสวนมนสักครู่ว่าผู้เป็นกลางผู้จ้องผลานะหมายถึงผู้ที่คิดร้ายกับเราเราก็แผ่ความปรารถนาดีแล้วก็แผ่เมตตาไปให้เพราะว่าเขาก็รักสุขเกลียดทุกข์เช่นเดียวกับเราชาวพุทธเนี่ยจะมีน้ำใจที่กว้างใหญ่นะ ไม่ได้นึกถึงแต่ตัวเองที่จริงแล้วเนี่ยพระตถาจ้านี่สอนแม้กระทั่งว่าทุกคนที่เรารู้จักหรือผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแม้กระทั่งศัตรูคนเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มีความผูกพันเกี่ยวข้องกับเรา ในชาติก่อนๆนะท่านว่าในวัตตาสงสารอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก็คือชาติแล้วชาติเล่าเนี่ยคนเหล่านีนะ้ที่เรารู้จักก็เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีภรรยากับเราไม่ชาติใดาชาติหนึ่งมาก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ไม่ควรที่จะเกลียดชังกันนะเอาความคิดแบบนี้มันต่างจากสมัยนี้นะที่เราจะคบกันบางทีก็คบเพราะผลประโยชน์ใครที่ทำดีกับเราให้ผลประโยชน์กับเราเราก็คบเราก็ใกล้ชิดนะใครที่ไม่ไม่ให้ผลประโยชน์กับเราหรือว่าแม้กระทั่งขัดขวางผลประโยชน์ของเราก็อาจจะ กันแกล้งหรือว่าถือเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูเรื่องเมตตากรุณานี่เป็นหัวใจนะของชาวพภธเนะมตตาแม้กระทั่งศัตรูนะเพราะว่าเขาก็มีความทุกข์แะเพราะว่าเขาก็เคยมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรามาก่อนและทรมิตรเมตตาแล้วก็ดีกับเราเองด้วยนะ เวลาเราแผแ่เมตตาเนี่ยสัเพสสัตตาถ้าจะแผ่ให้ได้ผลก็ลองนึกถึงหน้าของใครต่อใครไม่ใช่แต่พ่อแม่พี่น้องคนรักของเราพิษสหายของเราเท่านั้นถ้าเราแผ่ไปถึงแม้กระทั่งคนที่เรามีเรื่องคาใจกันมีความขุ่นข้องมองใจต่อกันซึ่งบางคนอาจจะเคยเป็นเพื่อนของเรามาก่อน เป็นเพื่อนสนิทแต่ว่าก็มีเรื่องขัดใจกันพอขัดใจกันไม่กี่เรื่องก็กลายเป็นสัตว์โกรกันก็มีแล้วถ้าเราเกลียดใครไอ้ความเกลียดนั่นแหละที่มันจะทำร้ายจิตใจเรากลีดแทงจิตใจเราอยู่เสมอถ้าเราโกรธใครความโกรธนั่นก็จะเป็นไฟเผาลนจิตใจเราถ้าเราแผ่เมตตาไปให้เขา นึกถึงหน้าเขาเห็นเขายิ้มเห็นเขากาลังรับความสุขจากเราความปรารถนาดีจากเรามันก็ดีกับเราเองด้วยนะเราเองก็พลอยมีความสุขหรือว่ามีใจที่สงบเย็นลงเขาจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เราอะได้เราที่คนที่แผ่เมตตาไปให้เขาหรือว่าถึงแม้ยังแผ่เมตตาไม่ได้ก็ให้อภัยเขา เขาจะให้อภัยเราหรือไม่เป็นเรื่องของเขาแต่เมื่อเราให้อภัยใจเราก็สบายการให้อภัยนี่ก็เป็นการเยียวยาจิตใจของเรานะเพราะถ้าเราให้อภัยใครความโกรธมันก็ลดน้อยถอยลงใจเราก็สบายแผลที่มันเรืออลังมันก็ได้รับการสมานมีบางคนบอกว่า ฉันจะไม่อภัยเขาจนกว่าเขาจะขอโทษฉันก่อนหลายคนมีเงื่อนไขแบบนี้อันคิดแบบนี้เนี่ยนะมันก็แสดงว่าเรายังไม่รักตัวเองเพราะว่าถ้าเรามีแผลอย่างแรกที่เราต้องทาก็คือรักษาแผลของเราไม่ว่าจะเป็นแผลกายหรือแผลใจนะและสิ่งที่จะช่วยรักษาแผลใจเราได้คือการให้อภยัย คนที่ไม่ยอมรักษาแผลในใจของตัวด้วยการให้อภัยโดยการตั้งเงื่อนไขว่าขอต้องขอโทษฉันก่อนเนี่ยเปียกไปแล้วก็ไม่ต่างจากคนที่โดนรถเฉียวรถชนนะแล้วคนที่ขับรถเฉียวชนเราเนี่ยเขาก็หนีไปเราเนี่ยซึ่งโดนเฉียวโดนชนเนี่ยขาหักมือหักมีแผล คนที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามพาเราขึ้นรถพยาบาลเพื่อที่จะไปส่งโรงพยาบาลทำการรักษาโดยด่วนแต่เราบอกว่าฉันจะยังไม่ยอมรับการรักษาพยาบาลใด้งทั้งสิ้นฉันจะไม่ยอมไปโรงพยาบาลจนกว่าคนที่ขับรถชนฉันจะมาขอโทษฉันเนี่ยคิดแบบนี้ฉลาดหรือเปล่า ฉันจะไม่ไปโรงพยาบาลจนกว่าเขาจะมาขอโทษฉันไอ้คนที่ขับรถชนฉันไปเนี่ยยฉลาดไหมคนที่ฉลาดเนี่ยเขาต้องรีบรักษาพยาบาลตัวเองก่อนส่วนเขาจะมาขอโทษหรือไม่เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งการขอโทษเป็นหน้าที่ของเขาแต่การรักษาตัวเองให้อยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยเป็นหน้าที่ของเรา เมื่อเราโดนรถชนนะเราก็ต้องมีหน้าที่รักษาตัวเราให้ดีก็คือต้องรีบไปโรงพยาบาลและเมื่อมีใครทำร้ายจิตใจของเราจนจิตใจเราเป็นแผลหน้าที่ของเราคือาต้องดูแลษาใจของเราให้ดีให้มันหายจากแผลนั้นไม่ใช่มามีตั้งเงื่อนไขว่าเขาต้องมาขอโทษฉันก่อนนะฉันจนึงจะให้อภัยคนที่คิดแบบนี้เขากาลังทาร้ายตัวเอง ไม่รักตัวเองไม่ยอมเยียวยารักษาแผลในใจของตัวเองนะอันนี้บทสวดที่เรียกอิมีนากรวดน้ำตอนเย็นเนี่ยนะนอกจากจะเป็นเรื่องของการระลึกนึกถึงสรพรพนะสัตว์นะกรรมสัตว์นี่ก็รวมหมดนะ ตั้งแต่มนุษย์เทวดามารพรมแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นอกจากเราเลิกถึงนิส่งความปรารถนา ด, ดีไปให้แล้วเนี่ยอีกส่วนก็คือการการตั้งนะการตั้งจุดมุ่งหมายของชีวิตนะก็คือว่าเราจะทำความดีนะทำความดีเพื่อนะให้เกิดความสุขที่จริง บทกรวดน้ำตอนเย็นเนี่ยมันมีสองตอนนะที่เรากรวดที่เราสวดนี่เป็นตอนแรกตอนที่สองเนี่ยจะเห็นชัดขึ้นนะว่าปณิธานของเราชาวพุทธเนี่ยคืออะไรอย่างเช่นตอนที่สองก็จะบอกว่าด้วยบุญนี้ที่เราทำและอุทิศปวงสัตว์เราพลันได้ซึ่งการตัดตัวตัณหาอุปาทานสิ่งชั่วในดวงใจ กว่าเราจะถึงนิพพานมาหลายสิ้นจากสันดานนะทุกทุกที่เราเกิดอนะประโยคนะข้อความนี้เนี่ยสำคัญมากนะก็คือว่าชีวิตที่เรามุ่งมาปรารถนาเนี่ยนะสำหรับชาวพุทธก็คือการตัดกิเลสลดละ ก, กิเลสจนกระทั่งเข้าถึงพระนิพพาน มีนิพพานเป็นจุดหมายของชีวิตได้ระหว่างที่ยังไม่ถึงเนี่ยก็มุ่งหน้าที่จะตัดตันหาอุปาทานตันหาประทานเรียกง่ายคือกิเลสนั่นเองจะลดละ ก, กิเลสให้เบาบางลงทำบุญทั้งหลายเนี่ยก็เพื่อให้บุญเหล่านี้เนี่ยนะไปขัดเกลากิเลสเราให้เบาบางอันนี้ก็ต่างจากจุดมุ่งหมายของชีวิตคนส่วนใหญ่นะที่ มุ่งหมายอะไรอยากรวยนะอยากร่ํารวยอยากมีชื่อเสียงอยากมีอํานาจมีบริษัทบริวารมีเกียรติยศนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราคุ้นอยู่นะใครๆก็อยากรวยแม้กระทั่งเวลาทําบุญก็นะอยากให้อ่ามั่งมีเวลาทําบุญก็บอกว่าขอให้รวยขอให้รวยนะ อันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่วิสัยชาวพุทธนะวิสัยชาวพุทธนี่ไม่ได้ไม่ได้ถือเอาความร่ํารวยเป็นสาระเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตรวยก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดคือการลดการละไม่ใช่การได้คนสมัยนี้อยากได้อยากได้เยอะๆอยากมีมากๆแต่ชาวพุทธเนี่ยตรงข้ามนะอยากลดนะ อยากลดอยากละให้ให้มากที่สุดให้เหลือน้อยที่สุดนะเริ่มแรกก็โดยการสละนะสละอะไรสละสิ่งของนะการสละสิ่งของนี่เป็นการช่วยลดการละความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูหรือพู้ง่ายคือลดความเห็นแก่ตัว คนชาวผู้เราตั้งแต่เกิดมาเลยนะตั้งแต่แบเบาะหรือว่าตั้งแต่เป็นทารกก็ได้รับการฝึกฝนให้รู้จักให้นะเช่นย่าหรือยายก็พาหลานมาใส่บาตรตามหมู่บ้านเนี่ยนะหมู่บ้านที่นี่เนี่ยนะเวลาถ้าวบินธบาตตามพระไปตามพระบินธบาตเนี่ยเราจะเห็นนะเห็น แม่นีพาลูกหรือว่ายายพาหลานมาใส่บาตรอันนี้คือการสอนนะสอนโดยเด็กไม่รู้ตัวนะว่าคนเราต้องรู้จักให้เริ่มจากการาให้พระก่อนนะต่อไปก็ให้คนอื่นนะที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากจะให้พระหรือให้ใครก็เรียกว่าให้ทานรวมทั้งให้เพื่อนบ้านด้วย อันนี้เคยพูดไปแล้วนะเมื่อตอนเช้าก่อนฉันว่าคนสมัยก่อนนี่เขาได้อะไรมาเขาก็ไม่ได้นึกถึงตัวเองเขาแบ่งให้คนอื่นได้ทุเรียนมาก็ก็ทําเข้าเหนียวทุเรีย น, นแจกทั้งหมู่บ้านได้ปลามาก็นะทําแกงแจกทั้งหมู่บ้านไม่ได้คิดจะเก็บเอาไว้คนเดียวนี่คือการการสละการให้ และให้เรามีความสุขคนสมัยนี้เข้าใจว่าจะมีความสุขได้ต้องมีต้องได้เยอะๆนะแต่ชาวพุทธเรามองตรงข้ามว่าการให้ต่างหากที่นํามาซึ่งความสุขพระเจ้าตรัสว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขและนี่มันก็เป็นเรื่องที่สัมผัสได้รับรู้ได้นะ เขาเคยมีการทดลองนะเอานักศึกษานี่แนะแบ่งเป็นสองกลุ่มแล้วให้เงินไปสมมติให้เงินพันหนึ่งนะกลุ่มแรกบอกว่าเอาไปเที่ยวเอาไปซื้อเอาไปกินอะไรก็ได้ส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยบอกว่าเอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือคนหรือไปทาประโยชน์ยังไงก็ได้แล้วแต่จะแล้วแต่แล้วแต่จะนึกนะแล้วเขาก็ให้ ทั้งสองกลุ่มเนี่ยทุกคนเนี่ยเขียนบันทึกว่าได้ประสบได้พบเห็นอะไรและมีความรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้ใช้เงินนี้แล้วแล้วก็พบว่ากลุ่มที่มีความสุขมากกว่าไม่ใช่กลุ่มแรกนะแต่เป็นกลุ่มที่สองกลุ่มที่ได้เงินพันหนึงแล้วเอาไปช่วยเอาไปให้ขอทานเอาไปาซื้อสมุดดิสซอให้เด็กหรือว่าเอาไปทากิจกรรมสอนเด็กนะ หรือว่าไปทําประโยชน์เช่นไปซื้อต้นไม้มาปลูกกลุ่มที่สองนี่ก็จะรู้สึกว่าเขามีความสุขเขารู้สึกดีกับตัวเองแล้วเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเขากับคนรอบตัวมันดีอันนี้ก็น่าสนใจนะกลุ่มแรกเนี่ยได้เงินมาไปดูหนังไปกินไอติมไปเที่ยวไปกินอาหา ร, อ, ารอร่อย แต่ว่ามันไม่สุขใจเท่ากับกลุ่มที่สองกลุ่มแรกเนี่ยมีเงินแล้วก็เพื่อเสพเพื่อเอาเพื่อมีเพื่อได้แต่กลุ่มที่สองเนี่ยมีแล้วแจกมีเพื่อมีรัสลัมันมีประสบการณ์มากมายขอคนที่ข้อมีความสุขจากการสลัไม่ใช่แค่สลักเงินทองนะจะสลัแรงงานเช่นไปช่วยเหลือเป็นจิตอาสา มีผู้หญิงคนหนึ่งจะเป็นเป็นไมเกรนนะปวดหัวข้างเดียวแล้วกินยาระ ง, งับไมเกรนอ่าระ ง, งับปวดเนี่ยเป็นประจำทุกวันแล้วมีวันหนึ่งก็มีคนชวนไปเป็นจิตอาสาไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับบ้านปักเกรดนะบ้านปักเกรดนี่เขารับเอาเด็กที่ถูกพ่อแม่ทิ้งหรือว่าพ่อแม่ไม่มีปัญญาเลี้ยงมีตั้งแต่เด็กสามสี่เดือนจนถึงเด็กเก้าขวบเด็กโตนี่ บางหลายคนก็มีพ่อแม่บุญธรรมรับไปเลี้ยงบางทีก็ไปเลี้ยงถึงในเมืองนอกก็มีแล้วเด็กเล็กๆ เ, เนี่ยมีเยอะเป็นร้อยแต่ว่าพี่เลี้ยงไม่ไม่เยอะเขาก็เลยต้องรับอาสาจิตอาสารับอาสาคนเนี่ยมาเป็นพี่เลี้ยงเรียวจิตอาสาแล้วพี่น้คนนี้เนี่ยแกเป็นไมเกรนนะแต่ว่าแกก็ มีเวลาว่างก็เลยไปเป็นพี่เลี้ยงจิตอาสาดูแลเด็กอุ้มเด็กป้อนอาหารป้อนนมหรือว่ า, าพาเด็กเดินนะเพราะว่าเด็กนอนเปลย์นานๆนานเนี่ยเด็กแข้งขานี่ก็แย่เส้นสายก็ไม่ดีก็ต้องพาเด็กเดินพาเด็กอุ้มเด็กก็ยังดีนะเป็นการยืดเส้นยืดสายก็ทำไปได้สักพักหนึ่งนะสองสามอาทิตย์เนี่ย แล้วเขาก็เอกใจว่าเขาลืมกินยานะปกติเขาต้องกินยาแก้ปวดทุกวันแต่ว่าหลังจากที่ไปเป็นจิตอาสานี่เขาลืมกินยาไปเลยโดยเพราะวันที่ไปดูแลเด็กทําไมถึงลืมกินยานะทั้งที่กินยาต่อนเนื่องมาหลายปีไม่น่าลืมแต่ที่ลืมก็เพราะว่ามันไม่ปวดนะโดยเพราะวันไหนเนี่ยที่ไป ไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยนะจะไม่ปวดหัวเลยทําไมถึงไม่ปวดนะเพราะมีความสุขไปอุ้มเด็กไปเลี้ยงเด็กเด็กมีความตัวเองมีความสุขพอมีความสุขนะความปวดหัวก็หายไปพอไม่ปวดหัวก็ลืมกินยาไงที่กินยาทุกวันทุกวันเพราะความปวดหัวมาเตือนแต่พอไม่ปวดแล้วเนี่ยนะก็เลยลืมเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อ ทีแรกนี่คิดว่าจะมาให้ความสุขกับเด็กนะีแต่ที่จริงเนี่ยเขากลับได้รับความสุขจากเด็กมากกว่าเมื่อให้นะเมื่อให้ความสุขก็ย่อมได้รับความสุขอย่างที่พระเจ้าว่ามีสถาปนิกอีกคนหนึ่งนะทุกวันทุกทุกพฤหัสเนี่ยก็จะไปส่งส่งแฟนเพื่อไปไปจิตอาสาที่บ้านปักเกรดไม่ได้สนใจเรื่องเด็กเลยยัง ยังสงสัยด้วยสามาแฟนเราไปไปไปสนใจเรื่องนี้ทาไมนะไม่เห็นประโยชน์เลยของการไปเป็นพี่เลี้ยงจิตให้กับเด็กแต่ว่าไปเพราะว่าต้องไปส่งแฟนแล้วก็ไปรับแฟนนะแต่ไม่เข้าใจว่าแฟนทำไปทำไมมีประโยชน์อะไรทานี้ไปสักสองสมเดือนแล้ววันหนึ่งแฟนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาเกิดมีทุนละแต่ว่าเขาต้องไป แต่ว่าเขาามีเวรนะมีเวรนะที่ต้องไปไปดูแลเด็กคราวนี้ตัวผู้หญิงไปไม่ได้ก็เลยขอให้ให้สา ม, มีเนี่ยนะไปไปดูแลเด็กแทนสา ม, มีก็ไปไปเสียไม่ได้แต่พอไปดูแลเด็กเห็นเด็กยิ้มนะเห็นเด็กเห็นความน่ารักของเด็กนะใจก็เปลี่ยนเลยนะรู้สึกว่ามีความสุข ที่ได้ดูแลเด็กก็เลยเข้าใจแล้วอ๋อการที่ไปช่วยเด็กเนี่ยนะมันให้ความสุขกับเรานะมันไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระหรือว่าเป็นเรื่องงี่เง่านะก็ตอนหลังก็เลยไปเป็นจิตอาสาร่วมกับแฟนนะอันนี้เป็นตัวอย่างความสุขที่เกิดจากการให้เกิดจากการสละนะสละ เวลาสละน้ำพักน้ำแรงอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นต่อไปก็ต้องสละสิ่งที่ที่สละได้ยากนะเราคิดว่าสละทรัพย์นี่สละยากแล้วแต่ที่จริงมันมีสิ่งที่สละได้ยากกว่านั้นก็คือสละความโกรธสละความเกลียสละกิเลสสละความยึดมั่นถือมั่น น, นี่สละยากนะ แม้กระทั่งสละความคิดนะสละอารมณ์เนี่ยเราก็ยังยากเลยนะเราจเจริญสติมาห้าวันหกวันนี้คงจะเห็นแล้วนะว่าความคิดนี่โอ้มันพาเราตตลิดเปิดเปิงไกลเหลือเกินนะแต่ว่าถ้าเรารู้จักสละความคิดปล่อยวางความคิดไม่ใช่ปล่อยให้ความคิดมันลากลู่ถู ก, กลางเราไปนะเราจะพบกับความสงบเย็นในจิตใจนะ ที่แรกรู้จักสละความคิดนะปล่อยวางด้วยเพาความคิดที่ไม่ตั้งใจคิดหรือความคิดฟุ้งซ่านนะตอนหลังก็สละอารมณ์นะความเศร้าความเสียใจความโกรธนะมันเกิดขึ้นในใจก็แทนที่จะไปกอดมันเอาไว้แทนที่จะไปยึดมันเอาไว้นะก็ปล่อยนะ สติเนี่ยมันช่วยทําให้เราปล่อยวางความคิดและอารมณ์ที่ทําความทุกข์ให้กับจิตใจเมตตาก็ช่วยได้นะแต่เมตตาจะช่วยได้บา ง, บางอารมณ์เช่นความโกรธความเกลียดถ้าเรารู้จักแผแ่เมตตาความโกรธความเกลียดก็บันเทาเบาบ า, บางแต่ว่าความอารมณ์บางอย่างมันมันสละได้ยากด้วยเมตตาเช่นความวิตกกังวลหนักอกหนั ก, นกใจความรู้สึกผิด ติดทางใจนะพูดไม่ดีกับพ่อแสนงการไม่ดีกับแม่แล้วก็เสียใจนะอันนี้เมตตาเนี่ยมันช่วยได้น้อยนะแต่สิ่งที่ช่วยได้คือสตินะมันเกิดขึ้นมาแล้วรบกวนรังควาจิตใจจนกระทั่งไม่เป็นอันกินนอนไม่หลับหรือว่าทำการบ้านไม่ได้แล้วก็มีสติรู้ทันแล้วก็วาง และสตินี้หละที่จะพาให้เราเนี่ยเอาชนะมานะทิฏฐิกล้าลหรือพร้อมที่จะไปขอโทษท่า น, นาการขอโทษนี่คาว่าหนูขอโทษผมขอโทษสามคำนี้จริงๆไม่น่ายากนะแต่มันหลายคนจะรู้สึกว่ามันพูดยากเหลือเกินแม้กระทั่งกับพ่อแม่ของเราหรือกับย่ายายผู้ใหญ่ของเราหรือกับครูของเรา เพราะว่ามันหมายถึงเราจะรู้สึกว่าหมายถึงการเสียหน้านะเสียหน้าจริงๆขอโทษนี่มันไม่ทำให้เสียหน้าเลยนะแต่มันคือการเอาชนะกิเลสเอาชนะอัตตาเอาชนะตัวมานะทิฐิสิ่งที่เสียคือหน้าตาของมานะไนะอจ้จริงๆแล้วเนี่ยหน้าตาเนี่เป็นเรื่องของมานะเป็นเรื่อ ง, องกิเลสลน้นล้นเลยนะนะ และไอความความหวงแหนในหน้าตาเนี่ยถ้าเราหวงแหนในหน้าตาเราก็จะเป็นเบี้ยล่างของกิเลสเป็นเบี้ยล่างของมานะแต่เมื่อวันหนึ่งเราต้องการประกาศอิสรภาพจากกิเลสจากมานะเราก็จะไม่กลัวเสียหน้าแล้วโดวยเพราะในเมื่อเราทําความดีคือการกล่าวคําขอโทษนะขอโทษกับคนที่เราทําผิดนะไม่ว่าจะเป็นใคร แม้กระทั่งกับเพื่อนเนี่ยหลายคนเนี่ยเป็นเพื่อนรักที่ดีต่อกันนะแต่ว่าพอผิดพลาดบางเรื่องด้วยความเข้าใจผิดหรือว่าด้วยความเผลอเลอด้วยความอ่อนแอก็ไม่กล้าขอโทษแล้วก็กลายเป็นศัตรูกันบางทีเป็นยี่สิบปีก็มีนะสาสิบปีก็มีนะ มารักกันเคยตอนที่เป็นนักเรียนมัธยมนี่รักกันมากสนิทกันมากนะแต่พอผิดใจกันแค่เรื่องเล็กน้อยนี่นะหันหน้าหันหลังให้กันเลยกลายเป็นศัตรูอันนั้นเป็นอารมณ์ชั่ววูบเจแล้วพอรู้สึกว่าอยากจะขอโทษแต่ก็ไม่กล้าขอโทษนะด้วยความมีทิฏฐิบานะก็เลยกลายเป็น ศัตรูหรือกลายเป็นปรปักกันบางทีจนแก่เลยนะถึงค่อยมาได้ได้สำนึกหรือว่าค่อยมาเห็นว่าที่ผ่านมาันนี่เราโง่มากเลยนะที่ถือทิฐิมานะอันนี้เพราะอะไรเพราะเห็นแก่นหน้าหวงแหนหน้าตาจกนกระทั่งถูกกิเลสครอบงำแต่ถ้าเรามีสตินะ เราจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของมานะทิฏฐิเมื่อเรารู้ว่าเราทําผิดแล้วเราอยากจะขอโทษเราก็จะกล้าที่จะไปขอโทษเขาแล้วพอคุณขอโทษได้นะสิ่งแรกที่รู้สึกก็คือความรู้สึกสบายใจเหมือนกับยกภูเขาจากอกมันสบายมากเลยหลายคนจะรู้สึกเลยโอ้รู้งี้ขอโทษไปนานแล้วนะ หลายคนจะพูดแบบนี้ว่าลูกงี้เนี่ยนะขอโทษไปนานแล้วเพราะมันสบายรวมถึงการให้อภัยด้วยนะมีมียาวชนเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยที่บังเอิญไปไปติดคุกนะแต่ว่าเนื่องจากเป็นวัยรุ่นเขาก็เลยให้ไปอยู่บ้านกายนาพิเศษแล้ววันหนึ่งสองคนก็มาเจอกัน คนหนึ่งเนี่ยนะไปฆ่าพ่อของวัยรุ่นอีกคนหนึ่งแล้ววัยรุ่นคนที่เสียพ่อไปเนี่ยนะวันดีคืนดีก็ทำผิดก็เลยต้องมาถูกส่งมาอยู่ที่บ้านกกยนาพิเศษและสองคนนี้เนี่ยนะเกลียดแค่คนที่เสียพ่อนี่ก็เกลียดแค้นเคียดแค้นคนที่ไปฆ่าพ่อของตัวเอง ส่วนคนที่คาบพ่อเขาเนี่ยก็อยู่ไม่เป็นสุขเลยนะเพราะกลัวจะถูกแก้แค้นแต่ว่าทางผู้ใหญ่ของบ้านการยาพิเศษก็ดีนะพยายามที่จะจัดกิจกรรมให้คนเนี่ยให้อภัยกันมีการไปทำพิธีขอขามามีการเอาแม่ของ ญาติของเด็กอะ่ะหรือว่าแม่ของคนที่ถูกฆ่าเนี่ยมาพูดเพื่อแสดงการให้อภัยนะให้อภัยต่อวัยรุ่นที่ไปฆ่าลูกของเขาลูกนี่ก็คือพ่อของเด็กอีกคนหนึ่งนะแล้วตอนหลังเด็กที่เสียพ่อไปเนี่ยที่พ่อถูกฆ่าเนี่ยตอนหลังเขาก็ยอมให้อภัย ให้อาภัยกับวัยรุ่นที่ไปฆ่าพ่อเขาคืนนั้นเนี่ยนะเขาเขียนบันทึกเลยนะว่าพอให้อาภัยแล้วเนี่ยมันมันสบายมากเลยมันรู้สึกเหมือนกับว่าไฟในอกนี่มันดับไปเลยแล้วก็บอกว่าเนี่รู้งี้เนี่ยให้อาภัยไปนานแล้วนี่ขนาดคนที่อ่าเสียพ่อนะพ่อถูกอีกคนนึ่งฆ่าเนี่เขา ย, ยังให้อาภัยได้ แล้วทำไมเราพวกเราเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามีเรื่องผิดใจกันนะไม่ได้ถึงกับเสียพ่อเสียคนรักนะทำไมเราจะให้อภัยกันไม่ได้ให้ให้ให้ใหระลึกเอาไว้นะว่าการที่เรารู้จักสละเนี่ยสละทั้ง ส, สละทรัพย์เยกวาทานสละความโกรธสละความเกลียดด้วยการให้อภยัยนะ ไม่ทำให้เกิดความสุขและต่อไปก็จะนำไปสู่การสละสิ่งอื่นสละกิเลสตัวอื่นที่มันละเอียดที่มัน อ, อยู่ลึกและนั่นแหละก็จะทำให้เข้าใกล้พันิพาน์มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อเราสละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูได้เนี่ยก็จะถึงนิพพาน อ น, นี่คืออุดมคติของชาวพุทธนะคือการมุ่งสละกิเลสนะเพื่อเข้าถึงนิพพานไม่ใช่เพื่อจะได้มีมากๆจะทำความดีแล้วก็แล้วแต่จะทำบุญก็แล้วแต่ก็เพื่อที่จะตัดตัวตัณหาอุปาทานตัดกิเลสไม่ใช่เพื่อจะรวยไม่ใช่เพื่อจะได้มีคะแนนดีๆไม่ใช่เพื่อที่จะได้มีชื่อเสียงมีงานการที่มั่นคง อันนั้นก็มีประโยชน์อยู่แต่มันไม่ใช่สาระสำคัญที่สุดของชีวิตเพราะคนที่รวยคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีงานการที่เงินเดือนสูงพวกนี้มีความทุกข์ไม่พ้นนะรวยแต่ไม่มีเพื่อนนะหรือว่ามีตาแหน่งสูงแต่ว่าครอบครัวแตกแยกลูกติดยานะมันจะมีประโยชน์อะไรไม่ต้องพูดถึงว่า อยู่ร้อนนอนทุกข์เพราะว่าความโลภมันไม่จบสักทีแต่ถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักสละก็นะจะพบความสุขที่แท้คือความสุขที่ใจนะอันนี้แหละคือปณิธานหรือจุดหมายของชาวพุทธนะก็คือเพื่อการเข้าถึงพระนิพพานนะชาตินี้ไม่ได้ก็าชาติหน้านะแต่ว่าก็ตั้งจิตปณิธานเอาไว้นะ อาแล้วก็พอสมควรเวลาน ะ, น ะ, นะเตรียมกลับภาพ้องกัน